ไมเห็นพวกเราพอจะฝึกกันได้อยู่เนาะแต่ก็เราเป็นโอกาสนิดนึงเผื่อใครอยากจะถามนะหรือสงสัยเรื่องการปฏิบัตินะไม่เข้าใจหรือว่าไม่แน่ใจนะก็ก็ถามกก่อน ก, นก็ได้นะเวลาปฏิบัติก็จะได้นะชัดเจนขึ้นหรือว่าแน่ใจมากขึ้น มีหรือเปล่าถามได้นะไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวว่าคำถามเราจะจะดีหรือไม่ดีนะเราสงสัย มีุ่มชาต็ค่ะแบบคือรู้ว่าม่วค่ะแต่แบบพยาจะรู้สึกมันก็รู้สึกแต่มันก็แบบแตกครึ้นระหว่างความรู้สึกตัวกับความมั่วหน้าสิห้าสิค่ะคือทําใจมันรู้สึกตัวมากขึ้นแล้วตอนวันนี้ตอนเช้าเป็นยังไงต่างจากเมื่อวานไหมแบบที่มันจะมีอารมณ์มุ่งคุมอย่างเนี้ยมาหลายเดือนแล้วค่ะก่อนหน้าก่อนหน้า เป็นโง่แบบเหมือนเมฆเทาๆค่ะนะคะไม่เหมือนเมฆเทาหายไปมันจะเห็นชัดมันจะมันจะเหมือนคเงาๆมันจแบบท่าทางความรู้สึกตัวมันจะเนี้ยคะแต่รู้ว่าตัวเองโง่บางทีมันก็เป็นแบบเป็นช่วงสภาวะของเราเป็นแบบแบบแบบนี้เนะแต่คราวนี้ก็ไม่เป็นไรก็แต่เพียงว่าไอ้ความความ คุณของเมฆหรือว่าความไม่ชัด ก, ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเรามาทําให้เองมันชัดขึ้นเช่นเสี่ยจะเดินให้มันกระทบใชัดขึ้นหรือเดินเร็วเร็วขึ้นสักหน่อยหรือยาการมองให้มองแบบโล่งๆไปไกลๆเลยนะมันจะช่วยให้ตัวความสึกตัวมันชัดคล้ายๆเหมือนความมืดกับความสว่างเนาะไอตัวนั้นเหมือนอาจเป็นความมืดความที่มัวๆก็เรื่องของมัน หน้าที่เราคือสร้างความสว่างนห้มันเข้ามาแทนที่เดี๋ยวพอสักพักหนึ่งมันจะเป็นความมืดมันจะค่อยๆออกไปของมันเองหรือบางทีมันยังไม่ออกทั้งหมดนะมันเหมือนค้ายๆเหมือนก้อนเมฆก้อนนี้มาบางังคลาภิตฐ์มันบังอยู่มันไปอีกแล้วมีก้อนใหม่เข้ามาแทนที่ก็ไม่เป็นไรเราเราอย่าไปคาดหวังว่ามันจะต้องสว่างตลอดต้องดีตลอด ตอนนี้มันมันไม่สว่างเราก็ยอมรับมันอย่างที่เป็นนะแต่เราก็มาสร้างฐานไอตัวสติตัวความสว่างขึ้นมาแทนที่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นเราก็ยอมรับอย่างนั้นนะที่จริงการมีสติจริงๆ ร, รู้อย่างที่มันเป็นดีนะรู้อย่างที่มันเป็นไม่ต้องดิ้นอะไรมากแต่เราก็สร้างฐานนะแต่ใจก็แค่ ย, ยอมรับมันแบบนี้ จิตมันก็จะมันก็จะไม่ทุกข์นะก็ไม่ไม่ต้องไม่ต้องดิ้นรนมากแต่เราก็สร้างเหตุในการเปลี่ยนการจะทําให้มันชัดขึ้นเฉยเหมือนกับที่ใช้เราป่วยเนาะตอนนี้มันยังไม่หายป่วยเรายอมรับว่าตอนนี้มันยังไม่หายยอมรับว่าตอนนี้มันยังไม่สบายถ้ายอมรับแบบนี้มันก็ไม่ทุกข์ใจแต่เราก็พยายามรักษาพัฒนาตัวเองไเรื่อยจทั้ง สุดท้ายมันจะค่อยๆหายจากอาการป่วยตอนนั้นไปนะมันก็จะเป็นใจที่มันไม่ทุกข์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ว่าสภาวะมันต้องดีตลอดตอนที่ยังป่วยอยู่ยังยังคุมคมอยู่ใจก็ไม่ทุกข์ต่อไปก็พอมาสว่างขึ้นมันก็จะไม่หลงไปดีใจหลงเป็นสุขแบบเพลิดเพลินดีใจไปเพราะฉะนั้นพระพัสติมันจะทาให้จิตมันเป็นกลางจิตเป็นปกติไปตลอด แม้ว่าอาการภายนอกหรือการภายในอาจจะมีอะไรที่มันมันแตกต่างไปนะแต่มันผิดมันยางเป็นปกติได้ตลอดเวลาเอาตัวนี้สำคัญกว่านะดีกว่าสว่างแล้วดีใจหรือว่ า, าง่วงหรือซึมแล้วทุกข์ใจ แต่การที่เรารู้อย่างที่มันเป็นเนี่ยแหละดีดีที่สุดแต่เราก็พยายามทำเหตุให้มันสว่างขึ้นช่วย แต่ก่อนตอนมาปฏิบัติใหม่ๆนะเราก็จะสงสัยว่าใี่เรารู้สึกตัวถูกหรือเปล่านะความรู้สึกตัวเป็นแบบไหนบางทีเราก็จะไม่ค่อยชัดเจนว่าเอ๊ะเราเรารู้ตัวจริงหรือว่ารูตัวปลอมเออรู <c oughs> อรถูงไหมน ะ, ะก็ไม่เป็นไรนะก็ลองถ้าใครสงสัยก็ ลองกลับมาดูสภาวะสภาวะว่าตอนนี้กาลังสงสัยอยู่ถ้าเราเห็นว่าตอนนี้จิตมันสงสัยอันนะคือรู้สึกตัวหรือการรู้สึกตัวเมืางทีเราได้ยินคนอื่นว่ารู้สึกตัวเป็นแบบนั้นแบบนี้ต้องชัดต้องสว่างต้องอะไรบบนะคือแต่ละคนก็สภาวะแตกต่างกันเนาะเราก็รู้อย่างที่เรารู้เนี่ยแหละน ะ, นะเช่นเราตอนนี้ยัง รู้ครึ่งๆรึ่งระหว่างความความซึมกับความรู้ตัวอาจจะแบ่งครึ่งกันก็ไม่เป็นไรอะเราก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นตอนนี้ก่อนออ น, นี่คือความรู้ตัวว่าเรารู้ว่าสภาวะตอนนี้มันเป็นแบบไหนก็รู้แบบนั้นแหละแต่ก็ตั้งเหตุให้มันชัดขึ้นตั้งเหตุมันชัดขึ้นแต่ก็ไม่ใช่มันไม่พอใจที่ตัวเป็นแบบนี้ครับก็ตั้งเหตุไปเรื่อยอันนี้ สงสัยก็รู้ว่าสงสัยหรือว่าสภาวะมันเป็นแบบไหนล้วก็ยอมรับอย่างที่มันเป็นนะแล้วก็พยายามตั้างตัวรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวต่อไปมันจะค่อยๆเฉลยเฉลยสภาวะต่างๆนะเฉลยว่าอะไรอะไรก็บางคนอาจจะปฏิบัติแล้วม่วงนะบางวันนี้นะง่วงก็ลองสู้มันนะ ง่วงก็ดองดูว่าไอ้ง่วงก็เรื่องของร่างกายนะหรือบางทีมันซึมก็เรื่องของจิตใจแต่เราก็มาตัาง้งตั้งฐานสติเข้ามาแทนที่เดี๋ยวมันจะค่อยๆสู้กันนะบางทีช่วงสภาวะที่มันต่อสู้กันภายในเนี่ยมันา จ, จะทําให้เหมือนรู้สึกทุกรู้สึกปัดเนาะแค่ ง, ง่วงมากๆ้วต้องฝืนต้องฝืนเดินต้องฝืนนั่งเนี่ยมันจะเหมือนรู้สึกมันทุกข์ นะแต่จริงพอลองผ่านไปได้มันจะมันจะค่้ยคลมันจะทําให้เราโล่งไปทั้งวันเลยจะมีนะอืมถ้าใครใชนะความง่วงได้วันนี้ก็คงจะอไม่ง่วงเลยสบายนะต้องต้องฝืนสักหน่อยนะแรกแรกความง่วงฝนะืนไปแต่จริงเราฝืนในชนะไม่ใช่ว่าอยากจะไม่ใช่ว่าเกลียดเขาหรือไม่ชอบเขาเนาะ แต่หน้าที่เราเมืนคล้ายเหมือนเราเดินขึ้นเขาอะโยมมันฝืนแดงต้านทานความโน้มถ่วงของโลกแต่เราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดินขึ้นไปเรื่อยๆพราะเราถึงยอดเขามันจะมีอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นมีลมที่เย็นสบายขึ้นมันเป็นทางราบบนเขาคราวนี้มันค่อยจะสบายขึ้นมันพวกนี้เป็นเหมือนตัวทดสอบนะเพราะ เวลาในชีวิตประจาวันของเรามันมีเรื่องมาคิดเยอะมีเรื่องให้ทําเยอะแยะมากมายมันก็เลยไม่ค่อยง่วงมันก็เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรทําหลายอย่างแต่พอเราปฏิบรรัติทำอ่ะที่จริงมันก็แค่ <laughs> กลับมาดูกา ย, ยู่ของตัวเองนะเหมือนเป็นอารมณ์เดียวแล้วอารมณ์เนี้ยมันก็เหมือนใหม่ๆมันก็ดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไร แต่ทำไปจะไปเราจะเห็นว่าที่จริงในแค่การดูกายจริงๆอ่ะในกายเองก็มีหลายอย่างที่มันชัดขึ้นในใจเองก็มีหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นอย่างเราทานข้าวเมื่อเช้าใครใครได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวตกวือเองไหมได้ยินไหมได้ยินเพราะอะไรถึงได้ยินลูก หนูหนูเคี ụ, n, <Oui. S 1> ụ, it, ้ยวหนูก็เลยได้ยินใช่ไหมเพราะหนูอะไรอีกเพราะหนูทำไมหนูถึงได้ยินบรรตอนก่อนตอนเด็กหนูเคยได้ยินแบบนี้ไหมทำไมอ่ะก็เก็่ยังไม่ีเออหูไม่ดีก็ใช่นะแต่บางที ไม่รู้เคี้ยวข้าวมันเกี่ยวกับหูหรือเปล่าเรา เ, ราเราได้ยินเสียงเคี้ยวข้าวตัวเองไม่เป็นไรของพ่อเองแต่ก่อนตอ น, น, นเด็กก็ไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินแต่เองเคี้ยวข้าวเลยเพราะอะไรบางทีเรากิน <c oughs> เพราะเรากินข้าวไปแล้วก็คุยไป เดี๋ยวกินไปก็ดูโทรทัศน์ไปก็ได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงโทรทัศน์เสียงการ์ตูนใช่ไหมไหรือว่าบันทีก็ตอนโตขึ้นมาหน่ยกินไปก็คิดงานที่จะทําข้างหน้าก็เลยลืมก็เลยไม่ได้ยินเสียงเองเคี้ยวข้าวแต่เมื่อเช้าใครได้ยินวะนะได้ยินนะฉังเราก็เคี่ยวเหมือนเดิมนะเสียงอาจจะมีเหมือนเดิมนะแต่เพียงว่า เมื่อเช้านี้เราอาจจะไม่ได้ไม่ไปสนใจภายนอกเนาะเขากลับมาพอเรามีสติกับการเคี้ยวข้าวมันก็ได้เห็นว่าในการเคียวข้าวมันต้องมีเสียงของมันใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นจริงที่บางทีส่วนใหญ่เราไม่เคยเห็นเราดื้อจริงจริงนอกจากเสียงเคี้ยวข้าวบางทีเสียงความคิดในใจของเราเองมันก็จะผุดขึ้นมาเหมือนกันนะ บางทีเราก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็วิจาร์หรือว่าปุงแต่งอะไรต่างในใจของเราเองนะมันก็เห็นไอ้พวกนี้ไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องอที่เพิ่งเกิดแต่มันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งเห็นนะมันต่างกันนนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่ <c oughs> สิ่งต่างๆ่งพวกนี้ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดในในร่างกายในจิตใจนี้แต่มันเกิดมานานตลอดแต่เราเพิ่งเห็นมันจะต่างกัน ธรรมะเนี่ยพอเราปฏิบัติทําไปเหมือนพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเปิดของที่คว่ํำนะหงายของที่ควาําหรือว่าเปิดของที่มันปิดอยู่เหมือนน้าเนี่ยมันก็มีอยู่นะแต่มันอยู่ในแก้วเราไม่เห็นพอเปิดขึ้นมาอ๋อมันก็เลยเห็นเหมือนหลายคนบอกว่าเหมือนเหมือนเส้นผมบางภูเขาเนาะมันที่จริงมันมีแล้วนะ หรือว่าตาเราเหมืนคนตาบอดก็มองไม่เห็นแต่จริงพอดื่มตามันก็เห็นที่จริงธรรมะมันก็เป็นสิ่งที่มันเห็นอยู่เฉพาะหน้าหรือมีเฉพาะหน้าอหู่ละวนะแค่กลับมาเห็นดูอย่างนี้ก็ตัวอย่างได้ยินเสียงเคี่ยวข้าวของตัวเองได้ได้ยินเสียงความคิดในจิตของเราเองนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้นะที่มันเกิดขึ้นนะก็ดูมันอย่างที่มันเป็นนั่นแหละ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะโยมบางคนปฏิบัติแล้วสงบอ่าก็เรื่องของเขาบางคนปฏิบัติแล้วฟุ้งซ่านก็เรื่องของเขานะหรือเรื่องของเราเองก็เหมือนกันบางขณะเราสงบก็รู้ว่าสงบบางขณะจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านบาง ana, บางขณะรู้ตัวสว่างดีก็รู้แบบนั้นบางขณะรู้แบบ มัวมัวหรือแบบง่วงง่วงค่ะขอยอมรับมันแบบนั้นนะอันนั้นคือใบสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เราก็จะตั้งเหตุการมีส ต, ติไปเรื่อยการปฏิบัติธรรมคือการสร้างเหตุเนาะสร้างเหตุไปเรื่อยอารมณ์เหมือนเป็นสิ่งมาทดสอบเฉยๆนะเหมือนเราเดินอ่ะเหมือนท่าอาจารย์ตุ้มพาเดินทางจะเปียกน้ำทางจะไม่มีน้ำหรือ ในชีวิตจริงบางทีเราจะเดินขึ้นเขาเดินลงเขาเดินในที่วุ่นวายเดินในที่สงบเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งภายนอกนะแต่สิ่งที่ภายในที่เราทําคือเราหน้าที่เราคือการเดินมันก็จะผ่านไปเรื่อ ย, อ, ยอารมณ์ก็เหมือนกันเป็นการทดสอบดูเฉยๆทดสอบว่าเราจะคุ้ยเควไปกับอารมณ์ไหมนะหรือว่าทดสอบว่าเราจะหยุดทักไหมทดสอบว่าเราจะปล่อยไหม เวลาปฏิบัติธรรมเหมือนเราเดินแล้วมันมีทางแยกหรือมันมีที่ร่อให้เราหยุดพักอะนี้เนาะบางทีก็มีทางแยกเราไม่แน่ใจกาจะเดียวผิดหรือบางทีมีที่หยุดพักตอนนี้สบายดีเพลินก็เจาะก็จอดนานอะไรนี้เนาะบางคนก็เลยเนื่อช้านะไอตัวที่อยากเพลินนะต้องระวังความคิดเนี่ยแหละปฏิบัติธรรมแล้วถ้าคิดดีหรือคิดไม่ดี มันจะทำให้เราแบบอยากไปอยู่กับความคิดไอ้ตอนเนี้ยต้องระวังดีๆมันจะคิดดีคิดไม่ดีคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนาะวางไว้ก่อนอย่าเพิ่งให้ค้ามันกลับมารู้สึกตัวนะรู้สึกว่ากำลังทำอะไรก่อนนะอย่าไปอินอย่าไปสนุกสนานกับความคิดนะหรืออย่าไปคล้ายๆไม่ชอบไม่พอใจมันรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆต้องระวังตัวนี้เนาะอันนี้คือ อารมณ์ภายในของเราเองหรืออารมณ์ภายนอกก็ต้องรู้ทันเนาะบางทีเราเห็นต้นไม้เราเห็นนกหรือเราเกิดความสบายอากาศมันเย็นดีเนาะเพลินใจอยู่แบบนันคอยรู้ทันตัวเองเลยนะว่ามันจะเพลินไปนกับสิ่งภายนอกในตาที่ดูในหูที่ได้ยินในอากาศที่สดชื่น หรือไปหรือบางทีเราไปเห็นคนอื่นเนาะดูดูคนอื่นดูคนนี้แล้วชอบดูคนนี้แล้วไม่ชอบเนะี่ยมันก็เพลินออกมันก็จะไหลออกไปข้างนอกนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราต้องห้ามต้องปิดนะแต่ให้เห็นว่าพอเรามันกระทบสัมผัสแล้วเพื่อให้มันเกิดอาการแบบนี้นะแล้วก็กลับมาเนะี่ยระวงังอารมณ์ทั้งภายนอกแล้วก็อารมณ์ทั้งภายในนะมันจะทำให้ได้เราไหลออกไป แต่ก็ข้ามไม่ได้แต่หน้าที่เราคือกลับมานะกลับมากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวใหม่เนะ น, แบบนี่ยฐานแบบเนี้ยนะเราเปลี่ยนได้เนาะทำให้มันชัดขึ้นทําให้มันแรงขึ้นนะหรือฟุ้งซ่านก็อาจจะแบบตั้งใจมากขึ้นหน่อยหนะยุดให้มันชัดขึ้นหน่อยอนะหรือมันมันเครียดเินไปก็ทั้งผ่อนคลายขึ้นทั้งเล่น อมยิม้ม น, น, นะไนะนะลองทำดูลองใช้อุปยรณนั่งบ้างยืนบ้างหรือบางทีนั่งไม่เมื่อยก็คุกเข่านะทำก็ได้นะมันก็จะสดชื่นขึ้นนะนะหลังกระตรงขึ้นะนะหรือยืนตั้งจังหวะก็ได้ หรือบางทีเดินจมกลมมันฟุ้งซ่านมากก็อาจจะเดินถอยหลังบ้างก็ได้คนะ่ะเดินถอยหลังหรือไปเดินเหยียบหินเหยียบหญ้าเหมือนนั่นเนาะให้มันเปลี่ยนอารมณ์แต่ก่อนมาก็เคยเมืางทีมั่งงวๆบ้างนะมันมีระเบียงแคบๆเดินระเบียงเลยนะคล้า ย, ายมันต้องตั้งสติมากขึ้นไม่งนมันก็จะตกกัน กล็ลองหารูปแบบสยแต่ก็บางคนที่อาจจะเพิ่งเคยฝึกหรือว่ า, เ, าเคยฝึกวิธีอื่นมาเยอะแบบนี้นะลองลองวางวิธีอื่นก่อนจะเช่นการนั่งหลับตานั่งสมาธิอนะไรนี้ลองลองเอาการเคลืนไหวเอาสติไปเราสติตัวนำหน้าเอาสมาธไว้ที่หลัง มันวิธีปฏิบัติแบบนี้ก็มีสมาธิในตัวอยู่เนาะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่เพียงว่าเราเปลี่ยนตัวนําเราเอาเอาสตินํำสมาธิตามสติคือการรู้สึกตัวสมาธิคือความตั้งมั่นมันจะค่อยๆ่อยตามตัวเองแต่ถ้าถบางทีเราเอาสมาธินํามันสงบมันนิ่งเนี่ยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมันจะมันจะไม่ค่อยชัดนหรือบางทียิ่ถ้าสงบมากเลย ยิ่งไม่ค่อยมีอารมณ์มันจะไม่ค่อยเกิดปัญญาเหมือนคล้ายๆคนที่อทุกอย่างสบายไปหมดนะราบลื่นไปหมดเนะี่ยมันจะไม่เกิดการพัฒนาคล้ายๆมันก็ติดความสบายนะใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่ อ, อาจจะไม่สบายนะักแต่เราอาศัยตัวนะั้นเป็นตัวพัฒนาเหมือนเราทํางานอนะถ้า ถ้าไม่มีโจทย์ใหม่ๆไ ม, ไ ม, ไม่มีปัญหาขึ้นมาเราก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาตัวเองมันก็เหมือนเดิมไปเรื่อ ย, เ, อยเหมือนนักเรียนไม่มีการบ้านไม่มีโครงงานก็เรียนไปอาจจะลืมนะฮหรืออาจจะไม่รู้ว่าจริงๆมันต้องทำแบบไหนแต่เพราะว่ามันมีปัญหามันมีตัวทดสอบมันทาให้เราเกิดการพัฒนาลองความสงบก็ไม่ใช่ว่าผิดนะไม่ใช่ว่าไม่ดี แต่ลองเอาตัวสตินําหน้าก่อนควนะามสงบเนาะพระเจ้าท่านก็บอกว่าสิ่งที่ควรจะเดินคือสมถะและวิปัสนาเนี่ยสองอย่างนะแต่ตอนนี้เราตัววิปัสนานําหน้าตัวสมถะเอาไว้ที่หลังนะตัวลองทํานอกจากว่ามันมันทําแล้วมันมันฟุ้งซ่านจริงนะไม่ไหวจริงก็อกลับมาสงบสักพักหนึ่งแล้วค่อยไปเดินต่อแบบนี้ก็ได้แต่ถ้ามันไม่ถึงขนาด หนักมากก็เออเอาตัวสตินำไปก่อนนะลองทำแบบนี้ก็เอาแบบไหนให้เป็นอิสระไปเลยเนาะดิมอิสระนะจะเดินจะนั่งก็แอ่บริเวณตรงนี้เนาะนะก็ทำยืงเยื้ของเรานะที่เดินที่นั่งของเรานะามตามสะดวกประมาณสิบโมง ประมาณ10 50 Uhr ก็ได้ไปกลับมานะ10โม50ก็ไปกลับมานั่งตรงนี้ก่อนแต่จะได้พาคาเฟตกับรประทานอาหาร